ในกลางพรรษาที่สองแห่งการครองสมณเพศพระเจริญก็ได้ต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปหนึ่งซึ่งมาเยือนถึงกุตติที่พักของท่านพระคุณเจ้าจำกระผมได้ไหมครับภิกษุอาคันตุกะถามหลังจากทําความเคารพเจ้าของกุตติและนั่งในที่อันสมควรแล้ว ขอประทานโทษคุณมาจากอารามไหนพิกษุหนุ่มคิดว่าท่านไม่เคยเห็นหน้าค่าตาบุคคลผู้นี้มาก่อนกระผมมาจากวัดกุฎีทองครับผู้อ่อนวัยกว่าตอบอ๋อ อ, อยู่วัดกุฎีทองใ ก, กล้ๆนี่เองหรอกหรืแล้วมีธุระอะไรกับผมหรือเปล่า พระคุณเจ้าจำกระผมไม่ได้จริงๆหรือครับกระผมจะมากราบขอบพระคุณที่ท่านได้ช่วยกระผมให้พ้นจากการตกนรกทั้งเป็นภิกษุอาคันตุกะหยิบพานเล็กๆออกมาจากย่ามในพานมีธูปเทียนแพววางอยู่บนธูปเทียนแพเป็นพวงมาลัยดอกมะลิส่งกลิ่นหอมอบอวลขอประธานโทษ ผมจาคุณไม่ได้จริงๆช่วยบอกหน่อยเถอะผมชักงงแล้วภิกษุหนุ่มบอกอาคารตุกะกระผมนายยูซบครับที่พระคุณเจ้าช่วยไปไล่ผีออกจากกระผมผีในบุญช่วยนะครับกระผมจึงบวชให้เขาตามสัญญาตอนนี้เขาไปเกิดแล้วพระคุณเจ้ามีบุญคุณต่อกระผมและนายบุญช่วยมากอ๋อ คุณเองหรอกหรือท่านนึกลำดับเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อก่อนเข้าพรรษาและจึงถามถึงนายยูโซอ่าของคุณว่ายังไงบ้างละ่ะปฏิเสธหรือว่ายอมรับกระผมไม่สนใจหรอกครับแล้วก็ไม่ได้แจ้งตำรวจจับเขาด้วยเนื่องจากไม่มีหลักฐานมันพิสูจน์ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องลี้ลับตำรวจเขาคงไม่เชื่อกระผม อโหสิกรรมให้เขาแล้วอย่างน้อยเขาก็เป็นน้องชายของป้าดีแล้วผมขออนุโมทนาเวนย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวนครับกระผมก็คิดอย่างนั้นกระผมมานี่ก็เพื่อจะกราบขอบพระคุณท่านที่ให้ชีวิตใหม่กระผมพูดพลางยกผ่านส่งให้พระเจริญด้วยอาการนอบน้อม ภิกษุหนุ่มรับผานแล้ววางไว้ด้านขวามือของท่านผู้มาเยือนหยิบถุงผ้าดิบบรรจุเงินออกจากย่ามถวายภิกษุหนุ่มกระผมร่วมสมทบทุนสร้างโบสถ์สิบทั้งครับคุณไม่กลัวผิดกฎของมุสลิมหรือท่านเยาตอนนี้กระผมเป็นพุทธอยู่ครับจึงทําบุญได้ ผู้อ่อนวยกว่าตอบยิ้มยิ้มหมายความว่าคุณจะเปลี่ยนศาสนาอย่างนั้นหรือหาไม่ได้ครับกระผมเพียงแต่จะเรียนว่าขณะที่กระผมเป็นพระภิกษุกระผมก็เป็นพุทธต่อเมื่อศึกษาลาเพศจึงจะกลับไปเป็นมุสลิมตามเดิมเราต้องกระตันยูต่อ บ, บันพบูรุษใช่ไหมครับกระผมเกิดเป็นมุสลิม ก็ต้องเป็นมุสลิมตลอดชีวิตแต่ที่ต้องมาเป็นพุทธชัชวคราวก็เพราะความจำเป็นดังที่ท่านทราบคุณคงสบายขึ้นนะดูหน้าตาผ่องใสจนผมจำไม่ได้ตอนพบกันครั้งแรกคุณซีดเซียวผอมเหลืองจนหน้าตกใจท่านยังจำภาพเหล่านั้นได้ติดตาแทบไม่น่าเชื่อว่าชายหนุ่มผอมเหลืองคนนั้น จะเป็นคนเดียวกับภิกษุหน้าตาผ่องใสที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านเพราะความเมตตาของพระคุณเจ้านั่นแหละครับไม่เช่นนั้นกระผมคงตายไปแล้วพูดอย่างสำนึกในบุญคุณอย่าคิดว่าเป็นบุญเป็นคุณอะไรเลยคนเราเกิดมาก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปนี่คุณก็อุตส่าห์นำปัจจัยมาช่วยผมสร้างโบสถ์ต้องขอขอบ คุณเป็นอย่างสูงกระผมเพียงแต่จะตอบแทนพระคุณซึ่งน้อยนิดมากหากเทียบกับที่ท่านได้ช่วยชีวิตกระผมแม้จะศึกหาลาเฮตแล้วกระผมก็ขอปวารณาว่าจะรับใช้พระคุณเจ้าตลอดไปหากมีอะไรจะให้กระผมรับใช้โปรดอย่าได้เกรงใจนะครับขอบใจที่เอื้อเฟือ้อผมขออนุโมทนา เงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุอาคันตุกะจึงถามขึ้นว่าพระคุณเจ้าจะบวชตลอดชีวิตเลยหรือครับผมตั้งใจอย่างนั้นแต่จะทำได้อย่างที่ตั้งใจหรือไม่ยังไม่รู้เพราะเป็นเรื่องของอนาคตโลกนี้ไม่มีอะไรแน่หรอกคุณครับกระผมก็ว่าอย่างนั้นแต่กระผมก็ขออนุโมทนากับพระคุณเจ้า ที่ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตเสียดายที่ศาสนาของกระผมไม่มีนักบวชมิฉะนั้นกระผมก็จะเลือกเป็นนักบวชเหมือนอย่างท่านกระผมชอบความสงบผู้อ่อนวัยกว่าพูดจากใจจริงคุณลำบากมากไหมที่ต้องมาบวชผมหมายถึงว่าคุณต้องฝืนใจตัวเองมากใช่ไหมเพราะคุณเป็นมุสลิม ก็ไม่ลำบากเท่าไรครับกระผมปรับตัวได้อย่างเรื่องการขบฉันปกติมุสลิมเขาไม่บริโภคเนื้อสุกรอนแต่เมื่อมาบวชกระผมเลือกไม่ได้ก็ต้องทำตามคนอื่นๆเขากระผมพยายามปฏิบัติตามพระวินัยอย่างเคร่งครัดพูดแล้วอย่าหาว่านินทานะครับพวกชาวพุทธเสอีกที่ละล้วมเลาะแหละอย่างที่วัดของกระผมมีพระหลายรูป ที่ละเมิดพระวินยัยกระผมเห็นแล้วก็เศร้าใจที่เขาไม่ซื่อสัตย์ต่อพระพุทธเจ้าชาวพุทธที่เป็นฆราวาสก็เหมือนกันไม่ค่อยจะรักษาศีลแค่ศีลห้า ก, ก็รักษาไม่ได้พระคุณเจ้าอย่ากโกรธนะครับที่กระผมพูดอย่างตรงไปตรงมาผมไม่โกรธหรอกเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมเองก็รู้สึกว่าคนมุสลิมเขาเครงศาสนามากกว่าคนพุทธ ชาวพุทธส่วนใหญ่มักตั้งอยู่ในความประมาทถึงตัวผมเองตอนก่อนบวชก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพิ่งจะมารู้ดีชั่วเมื่อตอนเป็นพระนี่แหละแต่บางคนมวดแล้วก็ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วนะครับพระคุณเจ้าผู้อ่อนวัยกว่าย้งนั่นสิคนพวกนี้เขาเรียกว่าบวชเสียเข้าสุขบาปมากนะ สู้เป็นเครือขัดยังบาปน้อยกว่าถึงผมจะเป็นชาวพุทธแต่ผมก็ไม่เข้าข้างชาวพุทธด้วยกันใครผิดก็ต้องวาดไปตามผิดครับกระผมเองก็ไม่เข้าข้างคนมุสลิมที่ทําความผิดทุกศาสนาก็มีคนดีคนชั่วปะปนกันไปนะครับพระคุณเจ้าถึงศาสนาอิสลามก็มีคนชั่วเหมือนกันตัวอย่างเช่นอาของกระผมเป็นต้น ก็แล้วแต่กรรมของเขาศาสนาสอนให้ทําความดีแต่บางคนเลือกที่จะทําความชั่วก็ต้องแล้วแต่กรรมของเขาท่านย้ำอีกครับกระผมมารบกวนเวลาท่านนานแล้วเห็นจะต้องกลับเสียทีก่อนลาสิกขากระผมจะมากราบพระคุณเจ้าอีกกระผมลาล่ะครับพระยูซป กราบพระเจริญสามครั้งและจึงเดินกลับไปยังวัดกุฎีทองซึ่งอยู่ห่างจากวัดพรมบุรีไปทางทิศใต้ประมาณ5กิโลเมตรออกพรรษาเป็นเทศกาลงานเทศมหาชาติวัดพรมบุรีได้จัดงานนี้อย่างใหญ่โตและเอกเกเริกกว่าทุกปีโดยมีพระเจริญ เป็นหัวเรียวหัวแรงพิกษุหนุ่มมุ่งมั่นที่จะหาเงินมาสร้างพระอุโบสถให้กับวัดตามที่ได้รับมอบหมายจากท่านสมภารหลังจากที่ฝันถึงหลวงพ่อสุขท่านค่อยเบาใจว่ายังมีเวลารวบรวมปัจจัยอีกหลายปีขณะเดยียวกันก็จะรอดูว่าจะพบคนอุปถัมภ์เมื่อท่านบวชได้ห้าพันษาจริงหรือไม่ โยมบิดาและโยมมารดาของท่านรับเป็นเจ้าภาพกันฉูชกส่วนโยมยายรับเป็นเจ้าภาพกันกุมารปรากฏว่ากันกุมารได้เงินมากเป็นพิเศษทั้งนี้ทั้งนั้นก็ด้วยความคิดอันเทียบแหลมของพระเจริญกล่าวคือก่อนถึงวันเทศสามวันท่านได้จัดขบวนออกเรียไรไปตามตลาดและบ้านคน มีชูชกกับสองกุมารร่วมอยู่ในขบวนด้วยคนเป็นชูชกคือครูชินซึ่งบัทนี้ได้เลิกเล่าอย่างเด็ดขาดและในพรรษาก็ได้มารักษาอุโบสถศีลที่วัดทุกวันพระครูชินในบทชูชกแสดงได้ถึงอกถึงใจคนชมพวกเด็กๆถึงกับใช้ก้อนอิฐก้อนดินขว้างป่าทําให้คนที่อยู่ในขบวนต้องคอยห้ามปราม ตัวชูโชหนุ่งผ้าจงกระเบนสีขาวแบบพรามไม่ใส่เสื้อใช้แป้งโรยสีรษะให้ดูขาวเหมือนผมหงอกมือข้างหนึ่งถือไม้เรียวทำด้วยแนงไผ่หวดขวับขับไปในอากาศทำทีว่าตีสองกุมารมืออีกข้างถือเชือกซึ่งปลายข้างหนึ่งผูกข้อมือกันหาปลายอีกข้างผูกข้อมือชาลี ตัวกันหาชาลีเป็นคู่แฝดชายหญิงหน้าตาหน้าเอ็นดูอายุประมาณหกขวบไว้ผมจุกทั้งคู่สองกุมารเดินร้องไห้าตามหลังชูชกไปบางครั้งก็ถูกชูโชกหันมาดุด่าด้วยท่าทางเกลี้ยวกรด่ดพวกเด็กๆพากันสงสารสองพี่น้องจึงไปขอเงินพ่อแม่มายื่นให้ในเชี่ยวกับในชาญถือบาทมารับเงินจากหนูน้อยคู่แฝดอีกทีหนึ่ง ส่วนพระเจริญเดินนำขบวนอยู่ข้างหน้าขบวนแห่ชูชกและสองกุมารออกเรียรายชาวบ้านร้านถิ่นอยู่สามวันครันถึงวันที่สซึ่งเป็นวันเทศสมพันธ์ช่อรับเทศกันชูชกซึ่งแม้ผู้เทศจะค่อนข้างแก่แต่อาศัยที่เคยเป็นนักเทศเก่าซุ้มเสียงและลีลาจึงยังคงประทับใจคนฟัง ส่วนกันกุมารพระเจริญรับเทศเองถึงจะเป็นการเทศครั้งแรกแต่เพราะได้มีการเตรียมตัวอย่างดีประกอบกับท่านถูกโยมยายบังคับให้ฟังเทศมาตั้งแต่ยังเด็กประการหนึ่งชอบดูลิเกเป็นชีวิตจิตใจและเคยตีวระนาดให้ลิเกเล่นอีกประการหนึ่งจึงทำให้ท่านเทศได้ถูกอกถูกใจคนฟังอย่างเหลือเกินบทพระเวสสันดรพูดก็เสียงหนึ่ง บทกันหาท่านก็ทำเสียงเด็กผู้หญิงบทชาลีทาเสียงเด็กผู้ชายทำให้คนฟังเพลิดเพลินเหมือนได้ฟังลิเกจากวิทยุถึงบทโศกก็ทำเสียงเศร้าจนคนฟังร้องไห้โยมยายของท่านอุตส่าห์ให้ลูกหลานพยุงมาฟังเทศถึงที่วัดด้วยความที่อยากฟังพระหลานชายยิ่งกว่านั้นยังติดกนเนธเป็นเงินถึ ง, 100งร้อยช่างกรเนธจบ พระหลานชายจึงลงจากธรรมาตและเดินไปหาโยมยายซึ่งนั่งฟังอยู่หน้าธรรมาตจังเก่งเลือกเกินพอคุณพอตูนหัวของโยมโยมยายวัยเก้าสิบชมพระหลานชายวัย2สองรู้สึกภาคภูมิใจจนน้ำหูน้ำตาไหลอาตมายกความดีให้โยมยายจักเป็นเพราะโยมยาย ผูกขาบังคับให้ฟังเทศตั้งแต่เด็กๆอัตมาเลยเทศได้นี่ถ้าไม่มีโยมยายคอยอบรมสั่งสอนอัตมาคงก่อกรรมทำเขียนไว้มากกว่านี้ท่านพูดจากใจจริงหวนคิดถึงความหลังคราใดก็ให้เสียใจครานั้นเสียใจที่ได้ประมาทพลาดพลัง้งทั้งที่มีโยมยายคอยห้ามปราม เรื่องมันผ่านไปแล้วและเดี๋ยวนี้ท่านก็ทำให้โยมภูมิใจในตัวท่านมากโยมหมดห่วงแล้วถึงตายก็คงนอนตายตาหลับโยมยายติดกันเทศเท่าไหร่จ๊ะท่านเปลี่ยนเรื่องถามร้อยชางจ้ะตั้งแต่เกิดมา โยมยังไม่เคยทำบุญ ม, มากมากอย่างครั้งนี้อีฉันก็เทกระเป๋าติดกันเทศเลยล่ะจ้ะแม่ท่านเทศดีเหลือเกินสตรีที่นั่งข้างๆโยมยายชมเปาะพวกสาวๆพยายามที่จะศบตาทว่าพระหนุ่มไม่ยอมศบตากับสาวใดแม้แต่แม่ประยงเจ้าของแหวนเพชรเม็ดงามวงนั้น พันษาที่สี่แห่งการครองสมณะเพศพระเจริญยังคงทำหน้าที่รวบรวมปัจจัยเพื่อใช้ในการสร้างพระอุโบสถสมภันช์ชอบแจ้งให้ท่านทราบว่าเงินที่สะสมไว้มีถึง22หมื่นแล้วครบส0สบหมื่นเมื่อใดก็จะลงมือสร้างเมื่อนั้นภิกษุหนุ่มค่อนข้างมั่นใจในคำทํานายของอาจารย์เชยเหลือเวลาอีกหนึ่งพันษา ท่านก็จะได้รู้ว่าใครบ้างจะมาเป็นคนอุปถรัรมภ์เย็นวันหนึ่งท่านสมพานได้มาหาพระเจริญถึงกุฏิที่พักเพื่อจะมอบหมายให้ไปเรียรายทางนครสวรรค์ตรงนี้เป็นวันโกนท่ันเช้าแล้วท่านจะให้เธอไปบอกบุญญาโยมที่นครสวรรค์ชันสั่งให้คนเตรียมเชาเรือในล่อไว้แล้ว รับลงพ่อมรืนเป็นวันพระและตรงกับวันศาสตร์คงมีคนทําบุญมากกว่าปกติเพราะเขาจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบบุรุษและเปตชนทั้งหลายตลอดทั้งเจ้ากรรมในเวรด้วยฉานก็คิดอย่างนั้นวันโกนวันพระคนเขานิยมทําบุญกันยิ่งเป็นเทศกาลศาสตร์ด้วยแล้วน่าจะได้เงินมากเป็นพิเศษ ช่วงนี้เธอกดทนเหนื่อยหน่อยนะที่ต้องเดินทางบ่อยก็ให้คิดเสียว่าทำเพื่อพระศาสนาครับหลุงพ่อไม่ว่าจะทำเพื่อพระศาสนาหรือทำเพื่อหลุงพ่อผมก็เต็มใจทั้งนั้นพระหนุ่มอดไม่ได้ที่จะประชดทว่าลุงพ่อชอบท่านไม่รู้เท่าทัานจึงได้แต่ภาคภูมิใจในวาสนาบารมีของตัวท่านเอง ข้าไปคงจะช้าหน่อยเพราะเรือแล่นทวนน้ำแต่ขากลับแล่นเชิวเลยล่ะขอให้ประสบความสำเร็จเหมือนครั้งที่ไปบานภัยกองดินนะท่านอวยชัยให้พรเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นพระเจริญออกบินทบาตตามปกติเมื่อท่านเดินออกประตูหน้าวัด มาถึงต้นแมงเมาก็ต้องประหลาดใจที่เห็นคนห้อยตรงเต่งอยู่ใต้ต้นครั้นเดินไปดูใกล้ๆจึงพบว่ามีคนมาอาศัยต้นแมงเมาเป็นที่ผูกคอตายตาถลนออกมาจากเบ้าดูน่าเกลียดปากอ้าลิ้นห้อยลงมายาวประมาณหนึ่งคืบแม้จะอยู่ในเพศสมณะหากท่านก็ยอมรับว่าภาพที่เห็นช่าง น, น่ากลีดน่ากลัว จนต้องเบือนหน้าหนีพระหนุ่มเกิดความลังเลตัดสินใจไม่ถูกว่าจะออกบิณฑบาตตามปกติหรือว่าจะกลับเข้าวัดไปเรียนหลวงพ่อช่อให้หาคนมาเอาศพลงหลวงพ่อช่อท่านเลิกบิณฑบาตมาร่วมปีแล้วเพราะเดินไม่ค่อยไหวญาติโยมที่เป็นลูกหลานนำอาหารมาถวายที่กุฏิทุกเช้าท่านจึงไม่เดือดร้อนเรื่องการขบฉัน อาจจะรู้สึกเดือดร้อนบ้างก็ตรงที่ไม่ได้ปฏิบัติตามพระวินัยด้วยพระวินัยบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะต้องออกบิณฑบาตโปรดสัตว์ทุกเช้าอันถึงเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติในที่สุดภิกษุหนุ่มก็ตัดสินใจเดินกลับเข้าวัดท่านตรงไปยังกุฏิสมภารและแจ้งให้ทราบเรื่องมีคนผูข้อตายที่ต้นแมงเมา ลุงพ่อช่อใช้ลูกศิษย์ไปตามชาวบ้านที่อยู่ข้างวัดมาช่วยกันเอาศพลงเสียงใครคนหนึ่งพูดขึ้นว่าอ้าวนี่มันตะแปะเหลงห้วยลุงเจตเจีดเดยนี่นาเจตเจีดเดยที่ขายของอยู่ในตลาดปากบางนะหรือพระเจริญถามเพราะท่านรู้จักโยมเจียแต่ไม่เคยเห็นตะแปะเหลงห้วยครับลุงพี่ แกมาจากเมืองจีนมาอาศัยอยู่กับเจเจียหลายปีพูดไทยไม่ได้และแกก็ไม่คบหาสมาคมกับใครเลยไม่ค่อยมีคนรู้จักบุรุษผู้นั้นบอกกล่าวแล้วทำไมโยมถึงรู้จักแกละ่ะผมเออผมไปบ้านเจเจียบ่อยมีธุระนิดหน่อยเขาไม่กล้าบอกว่าไปจีบลูกสาวเจเจียลูกสาวเจเจียสวยทั้งสองคน ทำให้เขาตัดสินใจไม่ถูกว่าจะรักคนไหนดีจะรักคนพี่หรือก็เสียดายน้องถ้าเช่นนั้นโยมช่วยไปบอกเจ๊เจียให้มาจัดการเรื่องศพด้วยจะเผาหรือฝังตามธรรมเนียมจีนก็สุดแล้วแต่เขาท่านถือโอกาสสั่งการครู่ใหญ่ๆเจ๊เจียก็ร้องไห้ฟุมฟายมาที่วัดเห็นสภาพศพน่าเกลียดน่ากลัว แกเลยไม่กล้าเข้าใกล้ได้แต่รำพึงรำพันว่าโถ่อาแปะทำหมายเลือมาคิกสั่งอย่างนี้อยู่กับอ้วลีๆก่อนนี้มาผูกขอตายแล้วลายจะตักน้ำให้อ้วใช้ว่าที่ลูกเขยซึ่งเป็นคนไปตามรู้สึกอดรนทนไม่ได้จึงพูดขึ้นว่าอ้นี่เจ้ห่วงตัวเองหรอกรอึนึกว่าห่วงอาแปะ ที่แท้ก็กลัวจะไม่มีคนตักน้ำให้อาบเจเจียจึงรีบแก้ตัวว่าอ้วหมายหลายให้อีตักเฉยๆนะ อ, อ้วจังอีวันาหาสะหลึงต้องหลังอีขอขึงเป็นหาบักแต่อ้วหมายยอมแกอาจน้อยใจเลยมาผูกคอตายบุรุษนั้นสันนิษฐานหมายชายแน่ๆคงหม่ยชายเพราะอา้ว อีของมีเหลืองใหม่สมบายใจพอดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงเจเจียยิ่งกลัวความผิดที่จริงแกคิดอย่างเดียวกับบุรุษนั้นแต่กลัวจะถูกจับขังคุกจึงต้องปฏิเสธไว้ก่อนหุตายเป็นอะไรกับเจเจ้าหน้าที่ซักเจเจียอีเป็อาแปะอวว่าเป็นผี่ชายของเตียอีมาจากเมืองจิง เป็นคนต่างด้าวหรือแล้วมีใบต่างด้าวหรือเปล่าอ้วหมายลูกอีนี้มากาเตียพ่อเตียอั้วตายอ้วนก็เลี้ยงอีมาหลายปีเลียแล้วทําไมอีผูกคอตายเจ๊ไปว่าอะไรให้อีเจ็บช้าน้าใจหรือเปล่าเจ๊เจียกลัวจนปากคอสั่นรีบปฏิเสธเป็นพลวันอั้วเปล่าอ้วเปล่ า, าเลิก อ, อย่าผูกซี่ซั่วอย่างนั่งมังใหม่ลี ถ้าเช่นนั้นแกจะผูกคอตายทำไมพูดตายมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกับใครหรือเปล่าไ ม, ม่มีอีแม่คบกับขายเจ๊จไม่กล้าบอกว่าลุงของแกกินยาฝิ่นขโมยเงินแกไปซื้อยาฝิ่นวันละห้าบาทภายหลังแกจับได้จึงเก็บเงินไว้อย่างมิชิดอาจเป็นสาเหตุนี้ก็ได้ที่ทำให้อัแปะต้องฆ่าตัวตาย แล้วทำไมพูดตายถึงคิดสั้นเจ้คิดว่าจะเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่าผมหมายถึงว่าพูดตายถูกฆ่าแล้วเอาศพไปแขวนไว้เป็นการอําพรางคดีคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคุณตำรวจดูจากสภาพศพแล้วแกต้องผูกคอตายตาโปนลิ้นห้อยออกอย่างนั้นพระเจริญรีบบอกเพราะท่านก็เคยเรียนตารวจมาเหมือนกันถ้าไม่ชิงลาออกเสก่อน ป่านนี้คงได้เป็นในร้อยหรือนายสองร้อยไปแล้วผมเพียงแต่ซักไปอย่างนั้นเองครับหลวงพี่ตำรวจรีบแก้ตัวด้วยเกรงจะเสียเหลี่ยมผลการสอบสวนอย่างสรุปไม่ได้ว่าคุดตายทำอัตวินิบาตกรรมด้วยสาเหตุอันใดเจเจียปฏิเสธทุกข้อหาเพราะกลัวความผิด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงไม่ได้ข้อมูลอะไรจะแก่มากนะเจเจียรับจะจัดการเรื่องศพโดยจะสวดกงเต็กสามคืนแล้วฝังไว้ในป่าช้าวัดพรมบุรีเธอก่อนเลยไม่ได้ออกบินทบาทแต่ไม่เป็นไรมาฉันที่กุติของฉันก็ได้อาหารมีเยอะแยะสมพันธ์ชอชวนพระหนุ่มขอบคุณครับแต่ผมคงจะฉันไม่ลง ภาพศกตะแป้มันติดตาจนรู้สึกสะอีสะเอียนคงจะฉันข้าวไม่ได้ไปอีกหลายวันแต่เธอจะต้องปลงให้ได้คิดแต่ว่าอีกหน่อยเราก็ต้องตายอย่างนี้เหมือนกันหลวงพ่อช่อให้สติผมคงไม่ตายในสภาพน่าเกลียดหน้ากลัวอย่างนี้หรอกครับหลวงพ่อเป็นตายยังไงผมก็จะไม่ผูกคอตายเป็นอันขาด คนรักตัวกลัวตายว่าฉันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะทำอย่างนั้นเพียงแต่อยากให้เธอปลงให้ได้ว่าเรื่องเกดแกเจ็บตายเป็นของธรรมดาโลกครับผมจะพยายามปลงให้ได้แต่คงต้องใช้เวลาวันนี้ยังไงยังไงผมก็ฉันไม่ลงผมขอตัวกลับกุฏิไปเตรียมตัวก่อนนะครับ ประเดี๋ยวเจ้าสามคนคงจะมาท่านหมายถึงนายเชี่ยวนายชาญและนายหล่อไปเถอะวาแต่ว่าเธอจะไม่หิวกลางทางนะสมภารยังห่วงบุคคลผู้นี้มีความหมายต่อท่านมากจึงต้องอาทรเขาหน่อยไว้ให้โบทเสร็จเสก่อนจึงค่อยไม่อาทรรับรองครับผมยังหนุ่มยังแน่นคงไม่เป็นลมตายเสก่อน แต่ถ้ามันจะเป็นก็สุดแล้วแต่เว้นแต่กรรมดีแล้วปลงให้ได้อย่างนั้นนะดีแล้วสมภารชมไกลๆพระหนุ่มกราบท่านสามครั้งและจึงเดินกลับกุฏิท่านเริ่มจะรู้สึกถึงความทุกข์ของการเป็นพระเป็นพระก็ทุกข์อย่างพระเป็นโยมก็ทุกข์อย่างโยมจะเป็นอะไรมันก็ทุกข์ทั้งนั้น ภิกษุวัยยี่สิบสองคิดปล ง, ปลง